ชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงในการแย่งชิงวัตถุที่รักและทะเลาะกันเนี่ยนะก็อาศัยสิ่งวัตถุอันเป็นที่รักใช่ไหมก็หวาดระแวงกันเพราะว่าระแวงกันอย่างนี้ก็ทะเลาะกันนะระแวงเ อ, อ๊ะนี่เขาจะเอาของเราหรือเปล่าเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคือเมื่อวัตถุที่รักกําลังถูกแย่งชิงเอาไปย่อมทะเลาะกันบ้างเมื่อวัตถุที่รักถูกแย่งชิงไปแล้วก็ ทะเลาะกันบ <unlucky> ้างทะเลาะเรื่องอะไรทะเลาะเรื่องมรดกเรื่องบ้านช่องห้องหอทะเลาะกันเรื่องเรื่องสวนไร่นาเรื่องแผ่นดินเนี่ยนะเรื่องที่ทํามาหากินเรื่องเนี่ยทะเลาะเป็นที่ตั้งแห่งความทะเลาะกันเพราะฉะนั้นย่อมทะเลาะกันเพราะเมื่อวัตถุอันเป็นที่รักถูกแย่งชิงไปแล้วบ้างย่อมทะเลาะกันแม้เป็นผู้หวาดระแวงในความแปรปรวนแห่งวัตถุอันเป็นที่รักก็ทะเลาะกันคือเมื่อวัตถุอันเป็นที่รักกําลังแปรปรวนไปก็ย่อมทะเลาะกันบ้างเช่นมาเหมือนกับว่า สามีพัญญาคู่หนึ่งอะนะรักกันพอสมควรแหละแต่ว่ารักรถเนี่ยมากรถมันจะเสียแล้วสามีไม่ยอมไปซ่อมมานะแม่บ้านจะนั่งยิ้มอยูมไหมไม่ยิ้มอะนะโวยวายเลยนะวันนี้ก็เหมือนกันอะนะเช่นลูกจะไปลูกถ้าลูกไปเสียนะพ่อแม่เขาเขาทํำยังไงกันเมื่าลูกขี้เกียรเรียนอะนะพ่อแม่เป็นยังไงนั่งบางทีก็บางบางบา ง, บางคู่ก็รักกันก็ปรับทุกกัน แต่บางคู่นี่ไม่อย่างนั้นก็เพราะเธอเนั่นแหละ เ, เลี้ยงลูกไม่ดีเนี่ยนะก็ทะเลาะกันเพราะเหตุแห่ลงลูกเป็นปัจจัยเนี่ยบางทีก็ทะเลาะกันในเรื่องเพราะทํำมาหากินเป็นต้นเพราะฉะนั้นทะเลาะกันเพราะวัตถุอันเป็นที่รักแปรปรวนไปก็ทะเลาะกันแม้เป็นผู้หวาดระแวงในการแย่งชู้แย่งชิงวัตถุอันเป็นที่รักก็ย่อมวิวาทกันคือเมื่อวัตถุที่รักกําลังถูกแย่งชิงเอาไปก็ย่อมวิวาทกันบ้างเมื่อวัตถุที่รักถูกแย่งชิงเอาไปก็วิวาทกันบ้าง แ, แม้เป็นผู้วาดระแวงในความ แ, แ, แ ป, um, ปรปรวนแห่งวัตถุอันเป็นที 2> 2่รักก็วิวาดกันเมื่อวัตถุอันเป็นที่รักกำลังแปรปรวนไปก็ย่อมวิวาดกันเมื่อวัตถุที่รักแปรปรวนไปแล้วก็ย่อมวิวาดกันแม้เป็นผู้วาดระแวงในการแย่งฉุกแย่งชิงวัตถุที่รักก็ย่อมราพัน คือเมื่อวัตถุอันเป็นที่รักถูกแย่งชิงเอาไปก็ย่อมรำพันเนี่นะเสียใจใช่ไหมเพราะของหายเป็นต้นนะเสียใจเพราะของหายเนี่ยเสียใจเพราะเขาลักขโมยของเป็นต้นเมื่อวัตถุอันเป็นที่รักถูกแย่งชิงไปแล้วก็ย่อมรำพันแม้เป็นผู้ความหวาดระแวงในความแปรปรวนไปแห่งวัตถุที่รักก็ย่อมรำพันคือเมื่อวัตถุที่รักกําลังแปรปรวนไปก็ย่อมรำพันบ้าง เมื่อวัตถุอันเป็นที่รักแปรปรวนไปแล้วก็ย่อมรำผันบ้างแม้ผู้วาดระแวงในการแย่งชิงวัตถุที่รักก็ย่อมเศร้าโศกคือเมื่อวัตถุที่รักกำลังถูกแย่งชิงเอาไปก็ย่อมโศกเมื่อวัตถุอันเป็นที่รักถูกแย่งชิงไปก็ย่อมเศร้าโศกบ้างนะย่อมเศร้าโศกเมื่อวัตถุอันเป็นที่รักเนี่ยแปรปรวน หรือวัตถุอันเป็นที่รักแปรปรวนไปแล้วก็ย่อมเศร้าโศกเพราะฉะนั้นและย่อมรักษาปกครองป้องกันห่วงห้ามตรณีวัตถุที่รักเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าความทะเลาะความมิวาดความรำพันความเศร้าโศกความตรนีนี้มาจากสิ่งอันเป็นที่รักอันสิ่งอันเป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นสัตว์และสังขารใช่ไหมทําให้เกิดการทะเลาะกันสิ่งอันเป็นที่รักและสังขาร น, นี่แหละทําให้วิวาดกัน นะหรือเมื่อวัตถุคือสัตว์และสังขารที่สียหายไปก็รำพันและเศร้าโศกทีนี้ก็ปกปักรักษาห่วงห้ามตนีทีเนี้ยเนี่ยนะก็เรียกว่าความตนีก็เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักเพราะฉะนั้นของรักอย่างเดียวเนี่ยนะทำให้ทะเลาะ ก, กันของอันเป็นที่รักทําให้วิวาทกันหรือก็หรือทําให้เกิดความตนีกันเนี่ยนะ ก็ถ้าเปรียบเทีย<ๆ>บออกมาชัดเลยก็คือเหมือนอะไรเมื่อมีของรักเนี่ยนะสมมติว่าหมาสองตัวเนี่ยมันนอนอยู่ด้วยกันเนี่ยกระดูกชิ้นหนึ่งอ่ะที่อริดอร่อยเนี่ยนะปรากฏต่อหน้ามันเนี่ยถามว่ามันจะทํำยังไงกนันก็เริ่มแล้วกันเนี่ยเห่าบ้างทะเลาะบ้างกัดแย่งกันบ้างนะฝุนตลบไปหมดอ่ะเนี่ทีนี้เหมือนกันเมื่อมีลาบมีสิ่งอันเป็นที่รักอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะถ้าเป็นลูกนะสมมติว่ามีลูกสองคนมีบ้านหลังเดียวเนี่ยนะแบ่งกันคนละครึ่งไหม โดยมากไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะก็ต้องการแนหะต้องการจะแย่งไม่ยอมที่จะแบ่งกันคนละครึ่งไงนะอยากได้มากกว่าเป็นต้นเนี่ย ท, ทุกฝ่ายอยากได้มากกว่ากันเนี่ยก็เกิดการทะเลาะกันเกิดการแก่งแย่งกันเกิดการชิงกันบันฉึกศึกจริงมรดกก็เกิดขึ้นข้าวของเครื่องใช้เรื่องที่ทํางานเรื่องอะไรทั้งหลายแหละนี่ก็เกิดการแย่งชิงกันเพื่อคําว่าความถือตัวและความ ความดูหมิ่นคำพูดส่อเสียดเนี่ยนะความถือตัวความดูหมิ่นคำพูดส่อเสียดนี้ก็มาจากสิ่งอันเป็นที่รักเหมือนกันอธิบายว่าชนทั้งหลายย er ่อมยางความถือตัวให้เกิดเพออาเราะ อ, อาศัยวัตถุอันเป็นที่รักย่อมยังความดูหมิ่นให้เกิดเพราะอาศัยวัตถุอันเนปะ็นที่รักะของดีๆเนี่ยนะทำให้ถือตัวก็ได้ทําให้ดูหมิ่นก็ได้ถ้ามีของดีเนี่ยนะถามว่าถ้ามีรถอย่างเดียวเนี่ยทำให้คนถือตัวก็ดูหมิ่นได้ไหม ได้มีบ้านก็ได้มีทั้งหลายที่ของดีๆทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความถือตัวและดูหมิ่นถามว่าชนทั้งหลายย่อมยังความถือตัวให้เกิดเพราะอาศัยวัตถุที่รักอย่างไรก็คือชนทั้งหลายยังความถือตัวให้เกิดเพราะวัตถุอันเป็นที่รักอย่างนี้ว่าเรามีปกติได้รูปเสียงกลิ่นรสโพธพะที่ชอบใจนั น, นะเั้นผู้ใดมีของดีเนี่ยนะก็ถือตัวมากใช่ไหมมานะมาก น, นะ ถามว่าคนที่มีรายได้สูงสูงเนี่ยถามว่าถือตัวมากไหมถือตัวเนี่ยนะทุกอย่างนะขอให้เกี่ยวกับเรื่องของดีทั้งหลายแหละถามว่าชนทั้งหลายย่อมยังความถือตัวให้เกิดเพราะอาศัยวัตถุอันเป็นที่รักอย่างไรก็คือชนทั้งหลายย่อมยังความถือตัวให้เกิดเพราะอาศัยวัตถุที่น่ารักอย่างนี้ว่าพวกเรามีปกติได้รูปได้เสียงได้กลิน่นได้รสได้โพธิภาพที่น่าชอบใจส่วนชนเหล่านั้นไม่ได้รูปไม่ได้เสียงไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสไม่ได้โพธิภาที่ ชอบใจเราะนั้นเมื่อถือตัวอย่างนี้ก็เลยดูหมิ่นผู้อื่นเข้าอนะว่าคนอื่นเนี่ยสู้เราไม่ได้นะเรานี่เก่งที่สุดเราเนี่ดีที่สุดเรานี่มีของดีคนอื่นมีไม่เท่าเรามีไม่เหมือนเราเนี่ยนะทีนี้พอถ้าจะปกปักรักษาของดีเอาไว้ทํำยังไงก็ส่อเสียดใช่ไหมก็เกิดความส่อเสียดฟังข้างนี้ไปบอกข้างโน้นเพื่อทําลายคนหมู่นี้ฟังข้างนี้ไปบอกข้างโน้นทําลายคนหมู่นี้ฟังข้างโน้นมาบอกข้างนี้เพื่อทําลายหมูโน้นน่ะนะ ก็สอเสียดกันละเพราะประสงค์สอเสียดให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่รักประสงค์สอเสียดให้เขาแตกแยกกันว่าชนเหล่านั้นอ่ะจะแตกกันไม่ปรองดองกันพึงอยู่ลําบากไม่ผาสุกด้วยอุบายอย่างไรเพราะฉะนั้นก็นําคําสอเสียดเข้าไปส่อเสียดเข้าไปนะเพราะอะไรเพราะเครียกว่ากลโลบายเนี่ยนะกลโลบายในศึกชิงกรามเนี่ยก็หากลโลบายต่างๆมาหาวิธีเช่นสงครามเนี่ยนะ สงครามเนี่ยถ้าฝ่ายหนึ่งต้องการชนะอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะวิธีหนึ่งที่เขาเขาสนใจก็คือทํายังไงให้ฝ่ายน่นมาแตกกันเนี่ยนะให้มันแตกกันอย่างมีสองประเทศจะทะเลาะกันอยู่อย่า ง, งยุคนี้นะมีเนี่ยนะเครกกาโลบายถ้ากุสโลบายเนี่ยด้วยกุศลอันนี้เครกกาโลบายก็มาจากกลอุบายเนี่ยนะกลนี่ไม่ได้ทําด้วยความดีแต่ถ้ากุสโลบายเนี่ยทำด้วยความฉลาดเนี่ยนะ แต่ถ้านิกรโรบายก็คือทําด้วยมายาทําด้วยเล่กลเนี่ยเล่เหลี่ยมมันก็อาศัยเล่เหลี่ยมเล่กล น, นี่แหละก็ไปทําให้อีกฝ่ายหนึ่งทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยนะเรียกว่าตัดกําลังข่าศึกซะหรือทําให้ข่าศึกทะเลาะเบาะแวงกันแล้วก็เสร็จเรามันสรุปว่าความทะเลาะความวิวาทประกอบในความตรณีเนี่ยนะก็กิเลสเจเนี่ยนะว่าความทะเลาะวิวาดรําพั น, นพเศร้าโศกถือตัวดูหมิ่นพูดส่อเสียด ประกอบตกแต่งสืบเนื่องในความตรนีเพราะตนีนะตณีเนี่ยลักษณะของตรนีก็คือว่าขอความอัศจรรย์อันนี้จงมีอยู่แต่เราผู้ผเดียวไม่ต้องการให้ความอัศจรรย์อันนี้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นเนี่ยนะเด่นคนเดียวดังคนเดียวดีคนเดียวมีข้าวของเครื่องใช้ดีๆคนเดียวไม่ต้องการให้ผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นเมื่อปกปักรักษาสิ่งเหล่านี้ก็ทะเลวิวาดลำพันธ์เศร้าโศกถือตัวดูหมิน่นส่อเสียดละทาทุกอย่าง เพราะความตนีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อความวิวาทเกิดแล้วคำพูดส่อเสียดก็มีความว่าเมื่อเกิดความวิวาทการเกิดบังเกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏแล้วชนทั้งหลายก็นำ่นำนาคำส่อเสียดเข้าไปก็เหมือนกับสงครามที่กล่าวไปเมื่อกี้นะถ้าเกิดทะเละวิวาทก็ทาทำยังไงฝั่งโน้นจะได้แตกแยกกันมันก็ฟังข้างนี้ไปทำลายฟังข้างนี้ ฟังข้างโน้นไปบอกข้างนี้ฟังข้างนี้ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้เขาแตกแย ก, กความสมัครสมาสามัคคีกันทำลายคนที่พร้อมเพียงกันสนับสนุนคนที่แตกกันชอบคนที่เป็นกกกันยินดีผู้ที่เป็นกกกันเพลินคนที่เป็นกกกันเป็นผู้กล่าววาจาทําให้เป็นกกกันนี่เรียกว่าส่อเสียดนะนะงั้นสรุปคาถาที่กล่าวไปแล้วก็คือความทะเลาะความวิวาดความรำพันธ์ความเศร้าโศกความตรหนีความถือตัวความดูหมิน่น และคําพูดส่อเสียดมาจากสิ่งอันเป็นที่รักนี่นะสำน ว, นวนว่ามาจากเหยื่อนะเพราะมีเหยื่อนะสัตว์ทั้งหลายจึงแย่งกันทีนี้พอทะเลาะวิวาทกันเพราะสิ่งอันเป็นที่รักอย่างี้เมื่อทะเลาะวิวาทก็ประกอบกับความตณีที่ทะเลาะวิวาทก็เพราะห่วงใช่ไมไม่อยากให้นะทะเลาะวิวาเพราะจะปกปักรักษารักษาของอันนั้นไม่อยากให้เป็นสาธารณะแก่บุคคลอื่น ท่านเมื่อทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้ก็เกิดคําพูดส่อเสียดขึ้นนะนี่จบคําถามที่หนึ่งคําถามที่สองที่พระพุเทธเดรัมิตรก็ถามต่อไปว่าสิ่งที่รักทั้งหลายในโลกเนี่ยมีอะไรเป็นนิทานนะนีคือของรักเนี่ยมันเกิดจากอะไรและชนเหล่าใดเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภความโลภของชนเหล่านั้นมีอะไรเป็นนิทานคือเป็นเหตุนะนี่ อันหนึ่งความหวังและความสำเร็จที่มีแก่นรชนเพื่อข้างหน้านั้น น, น่ะมีอะไรเป็นนิทานสรุปก็สามคำถามอ่นนะแต่ก็ลักษณะคำถามก็เหมือนกันคือถามว่าสิ่งอันเป็นที่รักเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็คนเนี่ยเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภเนี่ยความโลภเหล่านั้นมีอะไรเป็นนิทานคาถามที่สามบอกความหวังและความสำเร็จที่มีแก่นรชนเพื่อข้างหน้านนมีอะไรเป็นนิทาน นนะหวังความสำเร็จเนี่ยนะเกิดจากอะไรเหา น, นคำถามว่าสิ่งอันเป็นที่รักทั้งหลายในโลกมีอะไรเป็นนิทาน น, นนะนะกันก็พระพุทธนิมิตตรัสถามสอบถามขอให้บอกอันเชิญให้แสดงขอให้ประสาทเส่งมูลสมุทัยสิ่งที่รักทั้งหลายว่าสิ่งที่รักทั้งหลายในโลกเนี่ยมีอะไรเป็นนิทาน เกิดขึ้นบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏแมทมาแต่อะไรมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดมันสรุปว่าสิ่งเป็นที่รักทั้งหลายในโลกอะเกิดจากอะไรหรือมีอะไรเป็นเหตุคำว่าชนเหล่าใดไม่ว่าจะเป็นกรรษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรครหัสบรรปชิตเทวดาและมนุษย์ ที่บอกว่าความโลภเนี่ยนะชนเหล่าใดเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภเนี่ยนะก็คือพวกกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรครหัตบรรพชิตเทวดามนุษย์เนี่ยก็เที่ยวไปด้วยความโลภนะก็คือความโลภ ก, กิริยาที่โลภความเป็นผู้โลภความกำหนัดนักกิริยาที่กำหนัดนักความเป็นผู้กำหนัดอภิชาโลภะอากุศลมูลนนะเที่ยวไปก็คือเที่ยวไปอยู่เปลี่ยนอิริยาบถประพฤติรักษาบำรุงเยียรยา คำว่าเที่ยวไปในโลกก็คือเที่ยวไปในอบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธโลกธาตุอายตนะโลกเหมือนกันที่บอกว่าชนเหล่าใดาคือกษัตริย์เป็นต้นเนี่ยนะย่อมเที่ยวไปในโลกคือขันธ์เป็นต้นเพราะความโลภความโลภของชนเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุถามต่อไปว่าความหวังและความสําเร็จเนี่ยนะความหวังและความสําเร็จหวังมีอะไรเป็นนิทานนะเพราะฉะนั้นะไอ้ความความหวังและความ สำเร็จคือสมหวังเนี่ยนะความหวังและความสมหวังเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุเกิดบังเกิดบังเกิดพร้อมบังเกิดเฉพาะปรากฏมาแต่อะไรคําว่าที่มีแกนรชนข้างหน้าที่ที่มาจากคถาว่าความหวังและความสําเร็จที่แก่ชนแกนรชนเพื่อข้างหน้านั้นมีอะไรคําว่าข้างหน้าก็คือความหวังและความสําเร็จที่หวังเป็นไปในเบื้องหน้าเป็นเกาะเป็นที่ป้องกันเป็นที่แอบแฝงเป็นที่ระลึกของนรชน คือนรชนเนี่ยเป็นผู้หวังสำเร็จหวังเป็นไปในเบื้องหน้านะสรุปคำถามก็คือว่าสิ่งอันเป็นที่รักในโลกเกิดจากอะไรคนที่เที่ยวไปในโลกเพราะความโลภเนี่ยนะความโลภเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุความหวังและความสำเร็จเนี่ยเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าสิ่งที่รักทั้งหลายในโลกเนี่ยมีฉันทะคือความพอใจเนี่ยเป็นนิทานนะนะ ที่สิ่งที่รักนะสิ่งที่รักเนี่ยก็เพราะตัณหาแนี่เป็นนิทานและชนเหล่าใดย่อมเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภชนเหล่านั้นก็มีฉันทะนี่แหละเป็นนิทานตัณหานี่แหละมันทําให้เที่ยวไปในโลกอ่ะอันหนึ่งความหวังและความสําเร็จหวังที่มีแกนอรชนในโลกนั้นก็มีฉันทะนี่แหละเป็นนิทานฉันทะเตือนที่นี้ก็ความพอใจนะขอความพอใจอันนี้เป็นชื่อของอ ความพอใจในกามความกำหนัดในกามความเพลินในกามความอยากในกามความรักในกามความเร่าร้อนในกามความหลงไหลในกามความชอบใจในก า, ามกามโกามะโอฆะกามโยฆะกามุ ป, ปาทานกามฉันทะนิวรนในกามทั้งหลายนี่นไงไอฉันทะคือคือความพอใจหรือตัณหานี่แหละมันทำให้ให้มีสิ่งอันเป็นที่รักเนี่ยง เพราะไอ้ตันหานี่แหละมันวินิจฉัย